ชีวิตนี้ประกอบไปด้วยกายกับใจเป็นความจริงที่รู้รู้กันอยู่กายกับใจรวมกันก็ทำให้เกิดชีวิตขึ้นแต่ถ้าพิจารณาให้ดีชีวิตนี้ก็นัาว่าเป็นส่วนผสมที่ปลาด เพราะว่ากากับใจนี่มันมีธรรมชาติตรงกันข้ามกันเลยจะเปลี่ยนเหมือนน้ำกับไฟก็ได้นี่น้ำกับไฟมันรวมกันนี่มันยากนะฉันได้ก็ฉันนั้นกายกับใจเนี่ยมารวมเป็นชีวิตก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าพิจารณาดูดีๆเพราะว่าธรรมชาติมันตรงกันข้ามกัน ย่างกายนี่มันเป็นดุนเป็นก้อนกินเนื้อที่มีน้ำหนักใจจับต้องไม่ได้ไม่มีน้ำหนักวัดช่างตวงก็ไม่ได้กายนี่ จะเคลื่อนแต่ละทีนะก็ช้าเว้นแต่มีเครื่องทุนแรงเช่นรถนแต่ใจมันไปเร็วมากไปได้สุดขอบฟ้าสุดขอบจั ก, กรวาลหรือว่าเลยพ้นจักรวาลไปเลยก็ได้กายนี้เราใช้ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพื่อเพื่อจะเรียกว่าอะไรเพื่อประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์เราใช้กายในการที่จะเกี่ยวข้องกับวัตถุเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นใช้กายนี้ไปหาอาหารเอามาปรุงนะเป็นอาหาร เอาวัาสดุมาก่อสร้างเป็นบ้านนะก็รู้แล้วแต่ต้องใช้กายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะแต่ใจนีนะ่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรมใช้ใจเพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติ กายมันไม่รับรู้ด้วยนะเรื่องความงามธรรมชาติแต่ใจนี่รับรู้ได้กายมันรับรู้ได้แต่สิ่งที่มันเป็นลื่นเป็นก้อนหรือว่าเป็นสิ่งที่นะช่างตวงวัดได้ให้รู้รากินเสียงสัมผัสพวกนี้มันนะมันวัดได้นะแต่ความงามนี่มันวัดไม่ได้ หรือใช้ใจเพื่อที่จะสร้างความคิดทฤษฎีต่างๆที่เป็นนามธรรมอันนี้กายก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่จะให้ใจไปปรุงอาหาราสร้างบ้านมันก็ทำไม่ได้แต่ช่วยได้ช่วยได้ใจก็อาจจะจินตนาการบ้าน นึกแบบในใจแล้วก็สร้างใช้มือใชอ้ใช้นิ้วนี่ใช้กายสร้างบ้านขึ้นมานีไสนของกายก็กับใจก็ไม่เหมือนกันตรงข้างกไปเลยกายนี่มันชอบอยู่นิ่งๆแต่ใจมันชอบท่องเที่ยว การบริหารกายนี่ถึงต้องใช้ความพยายามนะเราฝึกกายด้วยการกระตุ้นผลักดันให้กายเนี่ยมันมันทำงานนะเช่นการวิ่งการยกน้ำหนักกายมันไม่ชอบนะมันอยากจะนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆแต่ถ้าสมัยทำอย่างนั้นกายมันก็ไม่ไหว กายมันก็เจ็บหรือป่วยเรีกว่าสุขภาพไม่ดีก็ต้องพักดันขับเคลื่อนให้กายนี่มันนะมันทำงานนะวิ่งจ็อกกิ้งขี่จักรยานนะกน้ำหนักเล่นโยคะแก่งแข น, นมันต้องใช้ ความตั้งใจใช้ความเพียรนะไม่งั้นกายมันก็อ ย, กอยากอยู่นิ่งๆส่วนใจตรงข้าใจเนี่ยมันชอบวิ่งชอบเที่ยวชอบอะไรวิธีที่จะฝึกวิธีที่จ ะ, ะฝึกหัดใจก็คือทําให้ใจอยู่นิ่งๆซึ่งเราก็รู้มันยากมันยากรพรๆกอบการพยายามขัดเกี่ยให้กายนี่ นะเคลื่อนไหวทำงานออกกำลังกายฝึกใจให้นิ่งนะเป็นเรื่องยากข้อใจมันก็จะออกไปนะเที่ยวท่องตลอดเวลานิ่งได้ไปเดี๋ยวเดียวจะไปแล้วนะภาวนาคือเราเรียกว่าฝึกใจไม่ได้ฝึกใจ การฝึกใจขั้นพื้นฐานก็ฝึกให้มันอยู่นิ่งนิ่งสบังนะก็ต้องใช้วิธีการตัดอมใช้วิธีหาอุบายนะให้ใจมันนิ่งให้มันจดจ่ออยู่กับลมหายใจให้มันรับรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายนะเพื่อมันจะได้นิ่งแต่ว่ากว่ามันจะนิ่งก็ใช้เวลากายนี่เวลามัน เจอของแหลมของร้อนมันทุกไม่ต้องสั่งนะมันรีบมันรีบหนีรีบเพนเลย <c oughs> เช่นถ้าเกิดมือเราไปถูกเป็วไฟไปถู ก, ถกเข็มแหลมกายก็รีบจะรีบชักมือออกมาทันทีมันเจ็บรีบชักมือช่างเนี้ยออกมาไม่ต้องสั่ง แต่ตรงข้างหัวใจนะใจเวลามันไปไปเจอความโกรธซึ่งเหมือนไฟเผาหลนไปเจอความเกลียดซึ่งเหมือนกับเข็มหรือมีที่มันปลีดแทงใจแทนที่มันจะแทนที่ใจจะรีบถอนออกมาจากสิ่งนั้นจากอารมณ์เหล่านั้นมันก็กับแช่อยู่นะปล่อยให้ความโกรธเผาไว้ความเกลียดปกลีดแทง แล้วก็ถามยาประคบปงมรักษาอารมณ์เรานี่นเอาไว้ใครจะมาแนะนําให้อภัยให้อภัยเพื่อจะระงับความโกรธใจมันก็ไม่ยอมใครจะมาแนะนําให้แผ่เมตตาเพื่อได้หายโกรธหายเกลียดมันก็ไม่ยอมมันจะคิดแต่จะโกรธจะเกลียดแล้วก็ไปขุดคุยหา หาเหตุหาผลเพื่อที่จะรักษาความกรดความเกลียดเอาไว้หรือว่าไปขุดคุยเหตุการณ์ต่างๆในความทรงจำหรือบางทีก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะได้โกรธและเกลียดหนักขึ้นสังเกตไหมว่าเราโกรธเราเกลียดใครเนี่ยมันจะใจมันจะถอยกลับไปขุดคุยความไม่ดีของเขามาแม้กระทั่งกับคนที่เป็นคู่รักนยบางทีก็ อบอกว่าจะลืมทะเลาะ ก, กันแล้วว่าตกลงก็คืนดีกันแล้วก็จะลืมไอสิ่งที่ผ่านไปแต่พอทะเลาะ ก, กันใหม่เกิดความโกรธความเกลียดก็จะย้อนกลับไปเอาเรื่องเดิมมาพูดหรือไปขุดเกลือเรื่องเดิมมาเพื่อมาเติมความโกรธเติมความเกลียดให้มันหนักขึ้นนี่เป็นนิสัยตนข้างไปเลยนะระหว่างกายกับใจ แต่ว่ากายมันฉลาดก็ได้นะเจอทุกข์มันรืบหนีทุกข์ออกหนีออกจากทุกข์นั้นทีแต่ใจนี่เวลาเจอทุกข์นี่มันกลับวิ่งเข้าหาลกลับพนาะพนอกลับแล้วก็ประงมนะรักษาไว้กายเนี่ยนะจะให้มันแบกอะไรเนี่ยนะถ้าเหนือน่อยเมื่อไหร่ก็อยากจะปล่อยอยากจะทิ้งหิน เสานะให้กายแบกไนงะมันก็แบกได้ไประเดี๋ยวเดียวท่านท่านเหนื่อยไม่ไหวแล้วมันมันวางเลยทิ้งลงมาเลยแต่ใจนี่นะแม้จะหนักนะแม้จะทุกข์แต่มันก็ไม่ยอมปล่อยนะมันก็กลับถือเอาไว้แบกเอาไว้การที่จะบอกให้กายปล่อยอะไรเนี่ย ปล่อยของหนักเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่การที่ปล่อกให้ใจนะปล่อยให้วางความโกรธความเกลียดให้วางภาระต่างๆในใจนี้กลับเป็นเรื่องยากคนมักจะบอกว่าโอ้ยปล่อยวางพูดง่ายบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางพูดง่ายมันก็น่าคิดนะเออในเมื่อแบกแล้วหนักแบกแล้วทุกข์นะ ทำไมถึงไม่ปล่อยไม่วางไม่ต้องบอกกายเลยนะถ้ามันแบกของหนักนี่ไม่ต้องบอกนะมันมันทิ้งเฉยเลยนะแต่ใจนี่บอกแล้วบอกเล่าก็กลับเถียงอีกว่าพูดง่ายทำยากไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่ใจมันก็รู้นะว่าแบกแล้วมันหนกักแบกแล้วมันทุกข์ แต่ว่ามีคนมาบอกก็ไม่ยอมก็ยังไปเถียงกขาอีกนะพูดง่ายทํายากทำไมถึงทํายาก น, ะนี่ยเเมื่อทุกพ่อแบกแล้วทำไมถึงไม่ยอมปล่อยนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัวก็ได้นะเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความเมาเมาในอารมณนะ์ความไม่รู้ตัวมันเกิดเพราะ ก็ความเมานะกินเหล้าแล้วเมาหนึ่มก็ไม่รู้ตัวไม่มีสติแต่คนเราไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวนะมันมันเมาอารมณ์ด้วยถึงแม้ไม่กินเหล้าแต่ก็เมาอารมณ์เหมือนกันเมาความโกรธเมาความเกลียดบางทีไอเมาอารมณ์นี่มันน่ากลัวเมาเหล้านะเมาเหล้านี่ก็อาจจะร่วมไม่ดี เมาอารมณ์นี่นะมันจิตมันไปสรรหาเหตุผลสารพัดนะให้เห็นว่าดีต้องเมาต่อไปแต่ทั้งเมาแล้ ว, ลวมาอารมณ์นี่เหมือนกันอย่างเนะี้คือว่าเจ้าตัวปฏิเสธคนเมาก็บอกว่าไม่เมาไม่เมากูไม่เมากูไม่เมานะให้คนเมาอารมณ์เหมือนกันนะก็ปฏิเสธว่า ฉันไม่กลัวฉันไม่เกลียดฉันไม่เครียดแต่ว่ามันก็ทุกเต็มเป่าเลยความทุกข์ของไม่ว่าของกายและใจเนี่นะมาเกิดจากการแบกนะแต่ทุกข์ของกายเกิดเกิดด้วยหลายอย่างไนงะ แต่ทุกของใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการแบกรนลนๆนงที่พระเจ้าตรัในการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกสิ่งที่จิตมันแบกเนี่ยมันก็รู้แล้วแต่ไม่มีน้ำหนักนะแบกเหตุการณ์ในอดีตแบกเหตุการณ์ แ, แ, บ, กกณแบกความเจ็บปวดแบกอารมณ์พวกนี้ไม่มีน้ำหนักนะแต่ว่ามันมันทำให้ทุกข์มาก เหตการในดีเนี่ยมันมันไม่ทําให้ทุกข์นะถ้าไม่ไปแบกมันนะหรือแม้แต่สิ่งที่เราเรารู้ในปัจจุบันนะเสียงดังถ้าใจล้วไม่ไปแบกมันนะก็ไม่ทุกข์นะแต่เปเพราะใจเราไปจดจ่อแล้วก็เหมือนกับไปยึดไปแบกมันเอาไว้มันก็เลยทุกข์ เสียงโทรศัพท์มือถือดังในห้องประชุมดังในโรงหนังเสียงคนพูดคุยกันหรือวมาแต่เสียงเพลงในเวลานั่งสมาธิที่จริงเนี่ยมันมันไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเรานะใจที่ไปจดจอ่อนะไปจดจอ่อซึ่งก็เรียกเป็นการแบกอย่างหนึง่งไปยึดติด ก, กับมัน ถ้าหน้นที่ไม่ชอบนะท้าหน้าที่ชังมันแต่ว่าก็ยังแบกมันเอาไว้ยิ่งผลักใสนะ่ก็ยิ่งแบกก็ยิ่งยึดติดนะไม่ชอบเสียงดังอยากจะผลักแสมันไปนะแต่ว่าก็กลับยึดติดใอร่ากายผลักใสนี่ทาให้ทุกข์นะเสียงดังถ้าเราไม่สนใจมันมันก็ไม่ทุกข์แ้นะแต่พอเราไป ไปผักสายมันนะไปชังมันเนี่ยทุกทันทีสมัยที่หลวงพระชาท่านเคยตอนที่ท่านนะพาลูกศิษย์คืออาจารย์สุเมโทโธแล้วก็ลูกศิษย์ฝรั่งอหลายรูปไปไปประเทศอังกฤษนะได้รับนิมนต์ ที่อยากจะให้พระทางเทรวาเน่ไปเผยแพ่แาศาสนาที่ประเทศอังกฤษก็นิมนต์สายาจรรย์ชาไปท่านก็พาลูกศิษย์ไปคราวหนึ่งก็ตอนที่ไปนี่ก็เจ้าภาพนะซึ่งเป็นฝรั่งก็ให้ท่านพำนักอยู่ที่วิหารวิหารแฮมสเตดนะทุกวันก็จะมีการนะทรรมวจสดหมืนนั่งสมาธิ โดเฉาะตอนเย็นวิหารนี้เนี่ยมันอยู่กลางกรุงรอนดอนนะตรงข้ามของวิหารก็เป็นผับเป็นบาร์ตอนเย็นเย็นเนี่ยก็จะมีเสียงดนตรีดังเสียงร้องเพลงก็ดังกระหึม่มมาถึงห้องที่นั่งสมาธิ มีคราวหนึ่งเนี่ยวั น, นี้คงเป็นคืนวันศุกรนะ์นั้นหรือวันเสาร์ส่วนบนเสารก็นั่งสมาธิแต่ว่าเสียงจากผับก็เข้ามาถึงในห้องที่นั่งสมาธิทั้งพระทั้งโยมนี่ก็นั่งสมาธิแบบไม่มีความสุขเลยม้แต่จสุมโมทก็บน่นว่าเสียงมันดังยิ่ง คนร้องเพลงร้องไม่เป็นภาษานี่มันเสียงลงนี่มันยิ่งหุดหงิดเข้าไปใหญ่แต่หลวงพ่อชาท่านนั่งสมาธิสบายเหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนิ่งมาแล้วก็สงบด้วยพอนั่งสมาธิเสร็จนเจ้าภาพเนี่ยฝรั่งก็มาก็มาหาท่านแล้วก็บอกขอโทษนะ ที่มีเสียงรบ ก, กวนหลงพ่อชางต้องบอกว่าเสียงมันไม่รบ ก, กวนเราหรอกเราต่างหาที่เป็นรบกวนเสียงนะคนส่วนใหญ่ฟังแล้วก็ง ง, ง, งนะเราเป็นรบกวนเสียงยังไงนะเราในที่นี้ก็หมายถึงใจเราเนี่แหละใจเราไปตะเลต่อเฉียงกับเสียงนั้นนะ พอ ม, มีความไม่ชอบพอ ม, มีความชังก็ไปทะเลาะกับเสียงทะเลาะกลองที่ทะเลาะต่อแล้ต่อเทียงก็แบกไปด้วยนะมันมีความอยากมันแบกความอยากอยากจะให้เสียงมันหายไปไอนะความอยากนี่พอแบกเอาไว้นี่มันก็หนักนะแล้วก็ยิ่งไปตดยิ่งยิ่งอยากจะให้เสียงมันหาย ก็ยิ่งไปจดจ่อที่เสียงมันก็เป็นการแบกเป็นการแบกเสียงเป็นการยึดติดในเสียงนั้นยิ่งยิ่งไม่ชอบนะีมันก็ยิ่งยึดติดนะเหมือนกับมือเราเนี่ยถ้าเกิดมือเราเนี่ยไปถูกขี้หมาไปถูกน้ำปลาหรือไปถูกสิ่งที่มันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยปฏิกิริยาแรงเราคือ รีบเช็ดรีบล้างเช็ดมือล้างมือแต่พอเช็ดเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อแล้วก็เอานิ้วเอามือมาดมนะถ้ามันนีงมีกลิ่นอยู่ล้วก็เช็ดแล้วก็ล้างต่อแล้วก็มาดมอีกถามว่าไม่ชอบกลิ่นใช่ไหมแล้วทำไมดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีกนี่คือความยึดติดนะยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติด และการยึดติมก็เป็นการแบกอย่างหนึ่งกลิ่นเนี่ยมันไม่ทำให้เราทุกข์นะแต่ว่าความชังหรือว่าโทสะที่มีต่อกลิ่นนั่นแหละทำให้ทุกขนะ์เสียงก็เหมือนกันนะเสียงไม่ทำให้ทุกข์ใจแต่ความไม่ชอบเสียงใจที่ ผักใสเสียงนั่นแหละที่ทำให้ถุกเพราะมือผักใา่แล้วนก็แบมันก็ยึดเอาไว้ก็กลายเป็นของหนักการสลัดของหนักทึ่งลงเสียเป็นความสุขนี่นี่เป็นความจริงนะขั้นพื้นฐานเลยการสลักของหนักทึ่งลงเสียเป็นความสุข ชีวิตคนเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรมากมายบางทีก็มีปัญหาทําอะไรแล้วไม่มีปัญหามันยากนะปัญหานี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแต่มีปัญหาแล้วไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์เสมอไปนะคนเราเมือ่อกลัทุกข์เวลาคนเราเวลาทุกข์ก็มักจะบอกว่าเพราะปัญหานั้นปัญหานี้ แต่จริงไม่ใช่หรอกนะมันเป็นเพราะเราไปแบกมันเอาไว้ถ้าไม่แบกก็ไม่ทุกข์นะก็มีเรื่องเราเกี่ยวหลวงวิชัยเรื่องหนึ่งนะก็มีนายทหารนายตำรวจคนหนึ่งมีความทุกข์มากมาปรึกษากับท่านนะแตเป็นออกในทางระบายมากกว่าระบายบ่นนะว่าปัญหา มีปัญหาสารพัดในที่ทำงานเจ้านายก็ไม่เป็นธรรมเพื่อลรงงานคอยกันแกล้งแทงข้างหลังเพราะว่าตัวเราคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตนะก็ เ, เลยอยู่ยากนะเพื่อโร ง, งานก็ก็ไม่ชอบขยันเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้รับเลื่อนขั้นก็นะบนหนึ่ง ด้วยความคิดอยากจะลาออกหมว่อาชาตท่านก็ฟังฟังทล้วก็ไม่พูดอะไรตัวทั่งนายตุลย ว, วนนะันพูดจบท่า น, นก็ชี้ไปที่ก้อนถินหน้าสาลาหน้ากุฏิของท่านเห็นก้อนหินก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับเออไม่ไหวก็จะไปแบกมันสินาะยตุล ว, วันันก็ได้คิดเลยนะ ได้สติได้คิดว่าที่ทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะปัญหาแต่เพราะแบกปัญหาต่างหากนะหินเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนถ้าไม่แบกก็ไม่ทุกนะความทุกเกิดจากการแบกบความทุกไม่ได้เกิดจากหินนะแต่ความทุกเกิดจากการแบกหินนี่คือสมุทรไทยนะสมุทรไทยคือเหตุแห่งเหตุแห่งทกุก็คือการแบกบหินไม่ใช่ เหตุแห่งทุกแต่การแบกนะการแบกหินนั่นคือเหตุแห่งทุกเมื่อเหตุแห่งทุกคือการแบกวิธีที่จะไม่ทุกคือการปล่อยนะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนหินให้กลายเป็นนุ่มได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือ เราไม่แบกมันคือเราก็วางมันเสียงดังมันทีมันก็ดังเหมืนอนกันนั่นแหละไปห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทํำได้คือไม่ไปแบกไม่ไปยึดหรือไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงกับเสียงนั้นนี่แหละคือการที่ทําให้นิโรธเกิดขึ้นเป็นจริงได้นิโรธก็คือความไม่ทุกข์นะ ทำให้แจ้งก็คือการปล่อยนะไม่ใช่ไปเรียกร้องดิ้นรนให้เสียงมันหายไปไม่ใช่ไปดิ้นรนเรียกร้องทำไงก็ได้เพื่อให้หินมันมันไม่หนักก็เพหิดมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นความแก่ก็เหมือนกันนะความแก่ไม่ได้ทําให้ทุกข์นะแต่ใจที่ประยุติเตถิไม่กับความแก่หรือใจที่แบกความ ความคาดหวังเอาไว้ว่ามันต้องไม่แก่มันต้องหนุ่มต้องสาวตัวนี้ิ่างที่ทำให้ทุกข์หรือใจที่ไม่ยอมรับความจริงว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความป่วยก็เหมือนกันนะป่วยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใจที่ทุกข์ใจก็เพราะวางความไปยึดติดถือมั่นในในร่างกายนี้นะว่ามันต้องไม่ป่วย นะหรือว่าไปแบกเอาความกลัวความวิตกกังวลว่ามันจะทำให้เกิดอย่างง้นอย่างนี้ตามมาหรือทำให้ตายนะพอไปแบกความวิตกแบกความกังวลก็ทำให้นะทุกข์ใจพอมันมีความคิดความอยากขึ้นนะแล้วไม่รู้ทำมันก็ไปแบกมันเอาไว้ มันก็เลยทุกเลยนะยึดในกายนี่ว่าต้องเที่ยงต้องไม่แก่ต้องไม่ป่วยต้องเป็นสุขตลอดเวลาแล้วนายไปพ อ, อไปยึดเอาความยึดเอาทุกขเวทนามานะยึดเอาทุกขเวทนาความเจ็บความปวดนี่ไม่ใช่ของดีแต่ก็ไปยึดมันเอนาไว้พอยึดมันเอาไว้นี่ใจก็เลยทุกเลยนะ มาไเลยไม่ใช่แค่ว่ากายปว่วยเดียวใจก็ป่วย ด, ด้วยเพราะไปยึดเอาความเปิดความปวดหรือความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนะแต่พอใจนีไปยึดเอานะหรือไปจดจ่อปักตึงอยู่ที่ความปวดความเมื่อยนะเราสังเกตไหมเวลาปวดเมื่อยในใจมันจะไปจดจ่อตรงนั้นแหละเหมือนกับเวลาหนาวถ้าหนาวตรงไหนมันก็ไปจดจ่อตรงนั้นแหละ ไอ้ที่อุ่นนี่ไม่ไปสนใจนะส่วนที่อุ่นมีเยอะแยะในละเต็มนะเต็มพื้นที่เกือบเต็มพื้นที่ในร่างกายเราจิตมันไม่สนนะมันไปนสนใจส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้าห่มปกคลุมก็คือส่วนที่หนามก็จดจองนั่นแหละรู้ว่าทุบแล้วยังไปจุดจอตรงนั้นนั่นเรียกว่ายึดเนะี่ยปวดเมื่อยกันเหมือนกันนะไอ้ส่วนที่ไม่ปวดไม่เมื่อยมีเยอะแยะนะ ปวดเมื่อที่ขาแล้วว่าลําตัวหน้าอกหัวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่สนใจลมหายใจก็เข้าออกสบายๆไม่สนใจไปสนใจไปไปจดจ่อไปปักเตียงตรงขาหรือแข้งที่ปวดความเจ็บก็เหมือนกันนะไอ้ส่วนที่ไม่เจ็บนี่ไม่สนไม่สนใจส่วนส่วนที่มันเจ็บนะ่นนี่เราก็ยุดติดนะแล้วผลที่ตามมาคือความทุกข์ เราก็เพียงแต่ปล่อยเราก็เพียงแต่วางนะมันปวดก็ปวดไปนะ ใ, นใจไม่ยึดนะให้ความปวดปเป็นเรื่องของกายนะในใจไม่ปวดด้วยพอไปยึดแล้วนี่มันมันก็กลายเป็นความปวดของใจไปแล้วถานยังปรุงตัวกูขึ้นมาอีกนะปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วก็แบกตัวกูไว้มันก็เลยรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่เท้าปวดขาเมื่อยนะแต่ว่าเป็นกูปวดกูเมื่อยอันนี้ก็เป็นการยึดติดอีกแบบ น, นะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่นี่แหละคือสมุทัยคือแห่งทุกขนะ์เพราะการแบบเพราะการยึดนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเรายิ่งเป็นยึดเป็นของเรามันก็ยังไม่ปล่อยนะมันยิ่งหัวเอาไว้ ทั้งที่ไอสิ่งที่ยืดนี่มันไม่ดีเลยสักอย่างนะความปวดความเมื่อยความเจ็บความโกรธนะแต่ถ้ามีสติมีความรู้ตัวเมื่ อ, อไหร่มันจะมันจะปล่อยมันจะวางไปได้เองเลยนะมันจะปล่อยมันจะวางไปได้เองหรือมีปัญญาที่เห็นว่าจริงๆแล้วนี่นะ มันไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เลยหรือไม่มีปัญญาที่มีปัญญาที่มองเห็นว่าเอยมันไม่มีเรานะชีวิตนี่มันมีแต่กายกับใจมันได้มันไม่มีเราแม้แต่น้อยแต่เพราะความหลงเนี่ยมันทําให้มันจิตมันปรุงตัวเราขึ้นมาเป็นเจ้าของกายกับใจอย่างที่บอกเว้เราชีวิตนี่ยมันประกอบด้วยกายกับใจไม่มีตัวเราเลยนะแต่ก็ยังไปปรุงตัวเราขึ้นมา เป็นเจ้าของชีวิตหรือเป็นเจ้าของกายกับใจอันนี้ก็เป็นอวิชชาหรือความหลงนะที่มันทําให้อดไม่ได้ที่จะไปแบกไปยึดกายกับใจและพอมันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการไม่เป็นไปอย่างที่ยึดไม่เป็นแปอย่งที่อยากก็ทุกทูกเราก็ยังไปยึดไปยึดมันเอาไว้อีกนะ หนความเขียนท่านสอนไว้นะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่ก็ฟังยากเนหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามว่าเราก็ไม่ไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ไปคิดไม่สำคัญมากว่าเป็นเจ้าของมันอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมทรัพสมบัติไม่ว่าจะเป็นการกระจายก็ไม่ไปยึดว่าเราเป็นเจ้าของมันหรือมันเป็นของเรา น, นี่คือความหมายของเขว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งมันจะทําก็ได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่จะยึดได้ไม่มีอะไรที่จะแบกได้เลยไม่มีอะไรที่จะสําคัญมาเป็นเราเป็นอของเรามันไม่มีแม้กระทั่งตัวเราที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ นั้นเมื่อมีมีอะไรเกิดขึ้นนะก็สักแต่ว่ารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะให้สุขหรือให้ทุกข์นะก็สักแต่ว่ารู้นะไม่ไปยึดมันป่วยกายก็เออก็รว่วกายป่วยรั่วนะั่นแหละคือทุกข์นะรว่าร่างากายเป็นทุกข์รว่าสังขารจะเป็นทุกข์นะแต่ว่าก็ไม่ได้ยึดหรืออยากที่จะให้มันหายไป ก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาให้มันดีให้หายป่วยอันนี้ก็เป็นการทำกิจนะเมื่อเจ็บเมื่อป่วยก็ทำกิจนะดูแลรักษากายเมื่อหิวก็หาอาหารมาให้เมื่อหนาวก็หาเสื้อผ้ามาหม่มนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกขนะ์จะหามาได้หรือไม่ได้นะเสื้อผ้าอาหารนะหรือว่าย า, ารษาโรค ก, ก็ใจก็ไม่ทุกขนะ์คือไม่ได้ ไม่ได้เดือดร้อนไปกับกายอันนี้พอมีปัญญาเห็นเห็นความจริงของกายและใจว่ามันไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้หรือมันไม่มีเราที่จะเป็นนะผู้ครอบครองกายกับใจสมัยที่มีสมัยที่หลวงปู่หลวงปู่บุตดาเนี่ยท่านไป ถ้าไปพาเอานิ้วในตายออกนะหลวงปู่บุดานี่ท่านก็มรณน า, าพไปยี่สิบกว่าปีแล้วตอนที่ไปผ่านิ้ในตายท่ก็ชรามากนะผาเสร็จไม่ถึงสิบห้าทีแล้วก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วก็ยังชั่วยแล้วคือท่านจะกลับบ้านแล้วหมอเพิจบบารณาก็แปกใจว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเลยแล้วคนที่ผ่านเล็กกว่าท่านน้อยกว่าท่านก็ยังบ่นว่าปวด ต้องพักงานเลยแต่หลวงปู่นี่ก็แก่แล้วแถมพักแค่สิบห้าทีก็จะไปแล้วก็สงสารหลวงปู่ไม่ปวดหรือหลวงปู่ถ้าว่าปวดจะทำไมไม่ปวดร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยนะอย่ามาปนกันกายปวดใจไม่ปวดคือใจไม่ยึด ที่จะไม่ปวดเพราะใจไม่ได้ยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของใจหรือว่าผู้ยันก็ใจไม่ได้ยึดว่าความปวดใจไม่ได้มีความสำคัญแม้หมล้ว่ากูปวดกูปวดมันเป็นแค่กายปวดนะมันไม่มีกูที่เป็นผู้ปวดอันนี้เพราะนราเหนความจริงของชีวิตนะขั้นพื้นฐานเลยว่ามันมีแต่กายกับใจเท่านั้นแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีตัวกูของกู ไม่มีตัวเราที่จะไปเป็นเจ้าของเจ้าของกายกับใจมีแต่กายกับใจเท่านั้นไม่มีตัวกูของกูเพราะฉะนั้นความปวดของกายก็เป็นความปวดของกายไปนะไม่มีความรู้สึกว่ากูปวดหรือความปวดเป็นของกูใจก็เลยไม่ทุกอันนี้เรียกว่าคือการเห็นความจริงนะ เป็นการเห็นด้วยปัญญาคนเราระดับกับการเห็นด้วยสตินะเห็นด้วยสติก็คือเห็นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกายเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นว่ามันมีอยู่นะแต่ยังไม่สามารถจะเห็นทะลุไปจนถึงธรรมชาติความเป็นจริงที่ซ่อนหรือซ้อน อยู่ในอารมณ์และเวทนานั้นต่อเมื่อเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆก็จะเห็นความจริงที่แสดงตัวออกมาจากเวทนาและอารมณ์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือเห็นว่านะครับเมื่อดูกายดูใจไปเรื่อยๆก็พบว่าเออมันก็มีแค่กายกับใจมันไม่มีตัวกูนะที่จะซ้อนหรือครองกายคองใจนั่นเลยในกายก็ไม่มีตัวกูของกู ในใจก็ไม่มีตัวกวงกูไม่มีตัวกูหรือไม่มีตัวตนซ่อนอยู่ในกายและใจหรือว่าอยู่นอกจากกายและใจเนี่ยมันก็มีแค่กายกับใจเนี่ยอันนี้คือเห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญามก็ช่วยทำให้ไม่มีความยึดมั่นถือมันในาการที่ตะกอนตะกอนเนี่ยหลงแบกอะไรเยอะแยะพอมีสเตจลูกก็ปล่อย แล้วก็แบกอีกพอรู้ตัวก็ปล่อยแล้วก็เผลอแบกอีกแล้วก็ปล่อยนะมึงก็ที่เราเดินจงกลมแล้วเดี๋ยวคิดเองแล้วแล้วก็รู้ทางก็วางเดี๋ยวคิดเองแล้วพอรู้ทางก็วางนะมายมาจะเป็นอย่างไงคือเผลอแล้วไปแบกไว้พอรู้ตัวปล่อยอันนี้เรียกว่าปล่อยเพราะสตินะแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยมันไม่แบกตั้งแต่แรกเลย ไม่มีการแบกตั้งแต่แรกแลเพราะนั้นก็ไม่ต้องปล่อยแล้วเพราะไม่มีแบกแต่แต่พวกเราีนปุถุชนยังต้องแบกนะรู้ตัวก็ปล่อยเผอใหม่แบกอา่ารู้ตัวปล่อยแต่ต่อไปนี่พอมีพอยเห็นด้วยปัญญาแล้วนะมันก็ไม่แบกแล้วแล้วก็ไม่เอาของเดิมก็ไม่แบกนะของใหม่ก็ไม่หาหมาอย่างที่เรากล่าวเนี่ยพระริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสร็จแล้ว และไม่ช่วยอของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่าแบกของเดิมมาไแปบบเอาของใหม่มาแบกนะไม่ใช่มันไม่แบกอีกแล้วนะไม่มีทั้งของใหม่และของเก่าที่จะแบกบนะการปฏิบัติของเราในการเจริญสีประทานก็เพื่อจะไปถึงจุดนั้นนะจุดที่สละทิ้งของหนักลงเสื่อแล้วและไม่เอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนะหรือผู้อย่างที่หลวงพ่อพเข่งพวกคือไม่เป็นอะไรกับอะไร อ๋อคาเนปุนอาชาเนปุนท่านนี้อัากรพัน